นโ ะ, ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสนส ะ, ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสันะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสักข อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตัดสะรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เองแม้ปรนิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระคุณมีพระมหาตรุณาธิคุณเป็นต้นดังนี้บุญยันเจมปุริโสกายิรา กายราเทนังปุณบปุณังตัมหิชันดังกยยราธาสุขปุญญาสาวุจยโยถ้าบุรุษพึงทำบุญใยพึงทำบุญนั้นบ่อยๆพึงทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่าความสั่งสมซึ่งบุญทำให้เกิดสุข ปาปันเจปุริโสกายิรานานังกายิราปุนะปุณณงนาตัมหิชันดังกายิรานทาดุโคปุญญตดุโคปาปัสสะอุจยโยถ้าบุรุษพึงทำบาปายไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น เพราะว่าความสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในโอกาสแบบนี้อัตมาภาพจะได้นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมาศาสดามาแสดงให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในอันที่จะได้อาศัยพระธรรมคำสั่งสอนเป็น อารมณ์ให้เกิดกุศลมีปัญญาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสท่านจะเป็นเหตุให้เราได้ประพฤติตามพระธรรมคำสั่งสอนสืบต่อไปสำหรับในวันนี้จะได้นำเรื่องของพระมหากรัตปะเป็นชีวประวัติของท่านและคำสอนของท่านมาแสดง ต่อจากคราวที่แล้วซึ่งประวัติของพระมหากศสปะเทระนี้เป็นบุคคลที่เราควรจะสรรเสริญควรจะบูชาควรจะเคารพทุกเมื่อและ ว, ว่าพระคุณของท่านนั้นเป็นสังคารุสติคือสามารถนำมาลรรึกถึงความ ดีงามของชีวิตท่านได้อย่างสมบูรณ์ในวันนี้จะนำเรื่องในคาถาธรรมบทถึงเรื่องประวัติของท่านเกี่ยวกับนางราชเทวทิดามีเรื่องโดยละเอียดว่าเมื่อพระพุทธมีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีนั้นพระพุธองได้ทรงปรารภถึง เทพทิดาซึ่งชื่อว่านางราชะเทวทิดาซึ่งเรื่องของนางราชะเทวทิดานี้ได้เกิดขึ้นในเมืองราชครึ่เกี่ยวข้องกับพระมหากรสปะว่าท่านพระมหากรสปะนั้นได้อาศัยอยู่ที่ปิพริคูหาด้วยการที่เข้าฌานเข้าสมาบัติทำจิตให้สงบในฌาน ขั้นออกจากฌานในวันที่เจ็ดก็ตรวจดูที่จะเที่ยวไปบินทบาทด้วยทิพจักสุเกิดด้วยตาทิพและด้วยอำมดาษความกรุณาเห็นหญิงคนจนที่รักษานาข้าวสาลีคนหนึ่งเด็ดรวงข้าวสาลีมาทำข้าวตอกอยู่ท่านพระมหากัศสปะก็พิจารณาว่าหญิงนี้ มีศรัทธาหรือไม่คือมีความเชื่อความเลื่อมใสในกรรมดีในผลของกรรมดีหรือไม่เพราะว่าศรัทธามันมีลักษณะอย่างนั้นคือปร่งใจเชื่อไม่สงสัยว่าทานเป็นความดีหรือเป็นความชั่วแน่ใจว่าเป็นความดีแน่มั่นใจว่าทานให้ผลแน่นี่เรียกว่ามีศรัทธา ขั้นรู้ว่าเธอมีศรัทธาอยู่รู้เข้าไปในใจของหญิงผู้นี้ก็ไข้ควรวญว่าเธอจะสามารถเพื่อทําการสงเคราะห์แก่เราได้หรือไม่คือคือจะถวายทานต่อท่านได้หรือไม่ขันรู้ว่าคุนธิดานี้เป็นหญิงที่มีความศรัทธากล้าหาญอาจจะทําการสงเคราะห์ท่านได้ เมื่อทำแล้วเมื่อถวายบิณฑบาตแล้วก็จะได้สมบัติเป็นอันมากท่านพระมหากัสปะจึงครองจีวรถือบาตรเดินมายืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลีกุลที่ดานนั้นพอเห็นพระเถระเข้าเท่านั้นก็มีจิตเลื่อมใสว่าเราโชคดีแล้วเราได้พบเนื้อนาบุญอันเลิศของโลกพบผู้มีคุณสมควรแก่การรับทาน ที่เรียกว่าปุญญเขตหรือว่าทักินัยบุคคลนางนั้นมีจิตเลื่อมใสในพระเทระสรีระของนางก็ท่วมทับไปด้วยปีติห้าอย่างมีปีติเล็กๆน้อยๆปีติขนลุกจนปีติถึงขนาดตัวลอยหรือว่าแผ่ซ่านไปทั่วด้วยอำนาจศรัทธานั่นแหละนะคือเลื่อมใสใน ความดีของพระเถระว่าพระเถระเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันสูงสุดนางจึงกล่าวว่านิมนต์หยุดก่อนเจ้าข้าแล้วถือเข้าตอกเดินมาโดยเร็วเกลี่ยลงในบาทของพระเถระแล้วไหว้ด้วยเบญจานข้าประดิษฐ์คือไหว้ด้วยนัาผากหนึ่งฝ่ามือทั้งสองและเข่าทั้งสองจดลงที่พื้นรวมเป็นห้าเมื่อถวาย ข้าวสาลีข้าวตอกแล้วแล้วก็ไหว้แล้วนางก็เชื่อในผลของบุญที่นางทำไปแล้วเนี่ยว่าต้องให้ผลจึงได้ทำความปรารถนาว่าท่านเจ้าข้าขอดีฉันพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วพูดง่ายๆว่าพระเถระเห็นอะไรนะก็คือเห็นอริยสัจสี่ขอให้นางได้เห็นบ้างได ได้เห็นมรรคเห็นผลเห็นนิพพานบ้างอย่างนั้นพระเทระก็ได้ทำอนุโมทนาคือให้พรนั่นเองนะที่เราเรียกกันง่ายๆจริงๆแล้วก็คือการทำความชื่นชมยินดีในศรัทธาของนางหรือในกรรมดีคือการให้ทานของนางว่าขอให้กรรมดีที่นางทำเนี่ย จงสำเร็จผลตามที่ปรารถนาคือได้อนุโมทนาด้วยคำพูดว่าความปรารถนาอย่างนั้นจงสำเร็จก็สำเร็จด้วยบุญที่นางทำนะนั่นแหละฝ่ายนางไหว้พระเถระแล้วพรางนึกถึงทานที่ตนถวายแล้วก็เดินกลับไปคือถวายทานแล้วก็ไม่ได้ทอดทิ้งเลยที่จะทำบุญต่อบุญนั้นนี้ก็คือว่า รลลึกถึงทานที่ตนได้ทำว่าเราทำทานไว้ดีแล้วทานเรามีผลมากทานเราย่อมให้ผลตามที่เราปรารถนาได้สำเร็จนัลึกไปอย่างนี้ก็ในเวลาที่นางเดินไปนั้นก็เดินไปบนคันนามีงูพิษร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่งงูตัวนี้นั้นไม่อาจจะขบกัดแข้งของพระมหากสปเะเถระ ที่ปกปิดด้วยผ้ากาสายะได้ตอนที่พระเถระเดินหมางูไม่ได้กัดแต่เมื่อนางเดินไปพลางระลึกถึงทานที่นางทำว่าโอ้เราได้บุญอันเลิศเราได้กรรมดีอันเลิศอย่างเนี้ยปลื้มใจไปอย่างนั้นกลับไปถึงที่นั้นงูก็เลื้อยออกมาจากรูแล้วกัดนางให้ล้มลงณนะที่นั้นเองนาง ตายขณะที่มีใจเลื่อมใสในทานที่ตนทมจึงได้ไปเกิดในทันทีนั่นแหละในวิมานทองประมาณสามสิบโยดในพบดาวดึงมีอัตภาพประมาณสามาวุธหรือประมาณสามรอยเส้นประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างเหมือนกับนางหลับแล้วตื่นขึ้นคือนางถูกพิดงูเนี่ยเข้าไป ทำร้ายชีวิตเนี่ยเหมือนกับนางหลับที่นางตายหลับแล้วก็ตื่นทันทีตื่นขึ้นมาก็เป็นเทพทธิฎาทันทีเลยด้วยอนุภาพบุญที่นางทําและนางยังละลึกต่อมานั่นแหละเรียกว่าอาสันญกรรมคือกรรมใกล้ตายของนางและเป็นกรรมดีนางก็ได้นุ่งผ้าทิพย์ประมาณสิบสองซอกผืนหนึ่งแล้วก็ห่มอีกผืนหนึ่ง แวดล้อมไปด้วยนางอับสอนตั้งพันคนเพื่อที่จะประกาศกรรมดีที่นางได้ทำไว้จึงมายืนอยู่ที่ประตูวิมานอันประดับด้วยขันทองคำเต็มไปด้วยข้าวตอกทองคำห้อยระยะอยู่นางเอาขันเนี่ยใส่เข้าตอกไปถวายเพราะนั้นผลของบุญก็จะตรงกันคือที่ประตูวิมานเนี่ยเต็มไปด้วยข้าวตอกทองคำ ใส่ขันทองคําห้อยอยู่นางได้พิจารณาดูทิพยผสมบัติของตนแล้วก็ไข้ครวญด้วยทิพยจักสุด้วยตาทิพว่าเราทํากรรมอะไรไว้จึงได้ทิพยผสมบัตินี้ก็ได้รู้ว่าทิพยผสมบัตินี้เราได้เพราะผลแห่งข้าวตอกที่เราถวายพระมหากสปะเทระ นางคิดต่อไปว่าเราได้สมบัติอย่างนี้เพราะกรรมนิดหน่อยเท่านี้เองบัตรนี้เราไม่ควรประมาทเราจะทำวัดทําความดีรับใช้ปฏิบัติแก่พระเถระทําสมบัตินี้ให้ถาวรคือ ท, ทําทิพยสมบัตินี้ให้มันยั่งยืนไปอันนี้มันทำนิดเดียวถาวายข้าวตอกเท่านั้นเอง ก็ได้สมบัติมาแล้วสมบัตินี้ยังไม่แน่เพราะว่านางเห็นว่ามันน้อยจะต้องไปทำให้มันได้ยั่งยืนไปนางจึงถือไม้กวาดและกระเช้าสาหรับเทขยะมูลฝอยซึ่งสำเร็จด้วยทองไปกวาดบริเวณที่อาศัยของพระเถระแล้วก็ตั้งน้ำฉันพร้อมทางน้ำใช้เอาไว้แต่ในเช้าตรู่ คือนางกลับมาโลกมนุษย์อีกนางอยู่ในดาวดึงเนี่ยความจริงดาวดึงมันก็ไกลามากแต่ด้วยความไม่ประมาทในบุญของนางที่นางบอกอะเราไม่ควรประมาทคือไม่ควรจะไปดูแคลนว่าโอยสมบัติของเราเนี่ยเป็นสมบัติอันมากมายเราควรจะเสวยสมบัติก่อนไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าสมบัติของเราที่ได้ได้โดยบุญเพียงเล็กน้อย บุญมาอาจจะหมดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องไปทำบุญด้วยความไม่ประมาทพระเทละนั้นกลับมาก็คิดว่าต่อภิกษุหนุ่มหรือสามเนีรบางรูปคงจะมาทำความสะอาดตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้ก็ไม่ได้สงสัยอะไรแม้ในวันที่สองนางเทพธิดาลาชะนี้ก็มาทำอย่างนั้นอีกลาชะแปลว่าเข้าต่อ ต่พิดาเข้าตอกนั่นเองฝ่ายพระเถระก็คิดเหมือนเดิมว่าคงจะมีพระภิกษุสามเณรมาช่วยกันทำแต่ในวันที่สนั้นพระมหากัสปะได้ยินเสียงไม้กวาดของนางและเห็นแสงสว่างแห่งสรีระของนางนั้นฉายเข้าไปทางช่องลูกประตูลูกดานคือพระเถระนั่งอยู่ในในในถ้ำมีประตูปิดแสงสว่างลอดเข้ามาได้ จึงไปเปิดประตูออกแล้วก็ถามว่าใครนั่นกวาดอยู่นางตอบว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเป็นอุ ป, ปัฏฐายิกาของท่านชื่อราชะเทวติดานางก็บอกว่าดิฉันนี่แหละเป็นผู้รับใช้ผู้หญิงนะผู้รับใช้ผู้หญิงของท่านบอกชื่อเสร็จเลยพระเถระก็บอกว่าอุ ป, ปัฏฐายิกานะคนรับใช้ผู้เป็นหญิงของเรา ที่มีชื่อราชะเทวธิดาเนี่ยไม่มีนะไม่เคยมีเลยทำไมถึงนางมาทำได้เนี่ยนางก็ตอบว่าท่านเจ้าข้าดิฉันเป็นหญิงผู้รักษานาข้าวสาลีได้ถวายข้าวตอกแล้วต่อท่านก็มีจิตเลื่อมใสนึกถึงทานอยู่กาลังเดินกลับไปถูกงูกัดตายลงแล้วก็เกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงท่านเจ้าข้าดิฉันคิดว่า ทิพยผสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระเถระผู้เป็นเจ้าแม้ใดบัตรนี้เราจากทำวัดปฏิบัติแก่ท่านทำทิพยสมบัติให้มั่นคงจึงได้มาทำอย่างนี้ตอนแรกเขาให้ทานนะเห็นว่าทานน้อยเขาก็เลยมาทําเรียกว่าวายาวัดจมใบนะใช้กําลังกายของตนเนี่ยมาทาความสะอาดตั้งน้ำใช้น้ำฉันเพื่อจะให้ได้บุญมากเข้าไปอีก พระเทละจึงถามว่าเมื่อวานและก็บันซืนเนี่ยเจ้าคนเดียวกวาดที่นี่เจ้าคนเดียวใช่ไหมที่ไปตั้งน้ำชัยน้ำฉันนางตอบว่าใช่แล้วเจ้าข้าพระเทละจึงบอกว่าจงหลีกไปเสียเถิดนางเทวทิดาข้อปฏิบัติที่เจ้าทาแล้วก็เป็นอันทำแล้วไปตั้งแต่นี้ไปก็อย่าได้มาที่นี้อีกนางเทวทิดาเนี่ย เสียใจก็บอกว่าท่านอย่าให้ดิฉันเสียหายได้ชิพหายซึ่งบุญเสียเลยเจ้าข่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงให้ดิฉันได้ทําวัดทําวัดเนี่ยคือรับใช้แก่พระผู้เป็นเจ้าทําสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิดเพราะว่าเขาเห็นค่าของบุญทันตาเห็นเลยตายแล้วก็ไปได้ทิพยสมบัติเดี๋้นเลยเขาจึงอยากจะได้เพิ่มบุญไปเรื่อยๆพระเทระบอกว่าจงหลีกไปนางเทวัธิดา เจ้าอย่าให้เราถูกพระธรรมกฐึกทั้งหลายนั่งจับพัดอันวิจิตแล้วกล่าวในอนาคตว่าได้ยินว่านางเทวทิดาผู้หนึ่งมาทำวัดปฏิบัติเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำชัยเพื่อพระมหากัะสปะเทละพร ะ, พระพระภิกษุก็จะกล่าวเรื่องนี้แหละในอนาคตนะพระเทระไม่ปรารถนาอย่างนั้นนะ จึงบอกว่าแต่นี้ไปเจ้ายามาณที่นี้จงกลับไปเสียเป็ น, ป น, ปนท่านกลัวข้อคอรหาข้อคอรหาของพุทธบริษัทว่าท่านมีนางเทพธิดาเป็นผู้รับใช้นั่นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรต่อท่านนางจึงอ้อนวอนซ้ำอีกว่าขอท่านยาให้ดิฉันได้เสียหายเลยเจ้าข้าคือเสียบุญไปเลย พระเทเรคิดว่านางเทวทิดานี้ไม่เชื่อฟังถ้อยคําของเราจึงปรบมือแล้วกล่าวว่าเจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้าเจ้าไม่รู้จักาการกระทาของเจ้าหรือว่าตัวของเจ้าเองว่าควรจะทำอะไรนางจึงไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้ได้เหาะขึ้นไปในอากาศแล้วประคองอัญชลี ได้ยืนร้องห้อยู่ในอากาศแล้วข่ำครวนว่าท่านเจ้าข้าอย่าให้สมบัติที่ดิฉันได้แล้วชิบหายเสียเลยจงให้ดิฉันทำเพื่อความมั่นคงในทิพย์สมบัต้ น, นเถิดนางเสียใจนะนางไม่ได้ทำบุญในพระอรหันต์ก็ร้องไห้ออนวอนอยู่อย่างนั้นแหละพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในพระคันทกุดีนั่นเอง ก็ห่างมากทีเดียวได้สดับเสียงนางเทวทิดานั้นร้องไห้เพื่อจะโปรดนางเทวทิดานั้นจึงทรงแผ่พระรัศมีดุจเหมือนประทับนั่งตัดอยู่ที่เฉพาะหน้าของนางเทวทิดาว่าเทวทิดาการทำความสังวรสังวรคือสำรวมในศีลเนี่ยความการทำความสังวรนั่นเทียวเป็นภาระ คือเป็นหน้าที่ของกัสปะผู้บุตรของเราแต่การกำหนดว่านะคือการใช้ปัญญาพิจารณาว่านี้เป็นประโยชน์ของเราแล้วมุ่งกระทําแต่บุญย่อมเป็นภาระคือเป็นหน้าที่ของผู้มีความต้องการด้วยบุญด้วยเหตุว่าการทำบุญนั้นเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียวทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้า นะคือพระเทระก็ต้องสำรวมการที่จะให้นางเทพธิดามาทำวัดปฏิบัติอย่างนีนะ้ถือว่าไม่สำรวมก็เป็นหน้าที่ของพระเทระที่จะต้องกระทำสิ่งนั้นแต่ว่านางเทพธิดานั้นก็มุ่งหมายที่จะกระทำบุญนะเพราะว่านางได้เห็นแจ้ง ด้วยปัญญาของนางเองด้วยผลของนางเองที่นางทำบุญแล้วว่าบุญเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสุขอย่างเดียวเท่านั้นคือไม่เป็นทุกข์เลยทั้งในชาตินี้ในภพนี้และในภพหน้าหน้าหน้าหน้ า, นาต่อๆไปบุญในวันให้ผลอย่างนั้นนะควรจะเข้าใจว่าการที่พระเถระห้ามนั้นเป็นของถูกต้องอเพื่อให้นางได้ ไม่ต้องเสียใจว่าถูกห้ามก็ทำบุญอย่างอื่นไปได้นะดังนี้แล้วพระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมให้ต่อเรื่องกันให้บริบูรณ์จึงตัดพระคาถาว่าปุญญเจปริโสกริรดากริรดาเทนังปุณบปุณักตามหิฉันทังกริรดาทะสุโ ข, ขบุญญสัอุเจโยแปลว่าถ้าบุรุษก็คือใครก็ตามพึงทาบุญใช่คือจะทบุญกิยาวัตถุสิบ คือจะทําทานก็ดีทําศีลก็ดีทําภาวนาก็ดีทํำวิยาวัจจะไม่ก็ดีและอื่นๆเช่นอาปจายนามัยนะบุญคือการเคารพกราบไหว้บูชาบุคคลที่ควรบูชาจนถึงทิฏฐุชุกรรมเนี่ยการทําความเห็นให้เกิดขึ้นในใจอยู่เสมอว่ากรรมมีผลกรรมมีเราทํากรรมดีก็ได้รับผลดีทํากรรมชั่วได้รับผลชั่ว ทานมีผลศีลมีผลอย่างนี้นะทำให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆในใจถ้าทำขึ้นมาแล้วนะ่ก็ให้ทำบ่อยๆพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นทำบุญอย่างใดก็ตามจะเป็นทานศีลจนถึงทิฏฐุชุกรรมก็ให้ทำบ่อยๆแล้วก็ให้ทำความพอใจในบุญนั้นเหมือนกับนางเทพธิดาเนี่ยเลื่อมใสในบุญที่ตนเองทาก็ปลื้มใจยินดีพอใจ ว่าเราทำบุญดีแล้วผลของบุญเราย่อมได้ดียิ่งเราทำบุญเป็นสมบัติของชีวิตที่แท้จริงสมบัตินี้จะต้องให้แต่ความสุขให้แต่ประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นไปปลื้มใจอย่างนั้นอันเนี้ยการทำความพอใจทำความชอบใจอย่างยิ่งในบุญนะพอใจที่จะทำบุญอันนี้ควรทำนะพึงทำความพอใจในบุญนั้นเนี่ยมีฉันทะ พอใจที่จะทำในบุญนั้นอยู่เสมอทำไมจึงให้ทำอย่างนี้เพราะว่าการสั่งสมบุญคือการทำบุญอยู่บ่อยๆด้วยความพอใจนั้นแหละย่อมทำให้เกิดความสุขพรนะเรกถาอธิบายว่าถ้าบุคคลใดก็ตามเมื่อทำบุญแล้วไม่พึงงดเว้นเสียด้วยเข้าใจเข้าใจไม่ถูก ว่าเราทําบุญครั้งเดียวแล้วพอละด้วยบุญเพียงเท่านี้นั่นเหมือนกับนางเทพพิดานะี่ยทำบุญไปแล้วใคร้ครวญว่าโอ้โหบุญเพียงเท่านี้เนี่ยเราได้ทิพยสมบัติเอ้ยไม่ได้แล้วทิพยสมบัตินี่ยังน้อยไปเราควรทําบุญอีกแต่ถ้าคนตใดที่คิดว่าทําบุญครั้งเดียวก็พอแล้วเนี่ยไม่ควรคิดอย่าไปคิดพึงทําบุญบ่อยๆและในขณะที่ทําบุญนั้น ก็ควรทำความพอใจชอบใจอุดสาหาะหมันเพียรหรือว่ากล้าหาญในบุญนั่นแหละนอกจากทำไปแล้วเนี่ยปล่อยเฉยเฉยไม่ได้ควรจะต้องมาละลึกอีกทําความพอใจชอบใจอย่างยิ่งอีกทําความอุดสาหะอีกว่าแล้วจากทำอีกทําไปเรื่อยๆทืาไมจึงต้องทําความชอบใจทําความอุดสาหะคือกล้าหาญที่จะทาบุญไม่กลัวที่จะทาบุญเพราะว่า ความสั่งสมบุญให้เกิดสุขอธิบายว่าเพราะว่าความพอกพูนบุญสั่งสมก็คือพอกพูนชื่อว่าให้เกิดสุขเพราะว่าการพอกพูนบุญเป็นเหตุนำความสุขมาให้ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเนี่ยจึงควรจะสั่งสมบุญอย่าไปทำครั้งเดียวแล้วก็เลิกทำไปเรื่อยๆทำด้วยความชอบใจว่า บุญนี้เป็นสิ่งที่ควรทาบ่อยๆนะไม่ควรประมาทในเวลาจบพระธรรมเทศนาเนี่เป็นเรื่องของนางโดยตรงนางเทวัิดายืนฟังอยู่ในอากาศห่างตั้งสี่สิบห้าโยชนั่นแหละก็ได้บรรลุโสดาปติผลทันทีนะบรรลุได้โดยที่ได้ อ, อ, อาศัยคาถาเนี่ยได้เห็น ได้เห็นอริ ย, ยสัจสี่ได้นะซึ่งก็เป็นเรื่องที่นางมีอุปนิสัยปัจจัยมาฟังพระธรรมเพียงแค่นี้เองก็สามารถบรรลุได้ว่าบุญที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันชำระกิเลสชำระทุกขนางจึงเห็นทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีทุกแล้วไม่ค่อยทำบุญนะโดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ต้องมีทุกมีภัยอะไรเข้ามาเสก่อนจึงจะทำทำก็หวังว่าจะให้ได้ผลเร็วๆด้วยจะกำจัดทุกภัยเร็วๆ เ, เพราะฉะนั้นนางจึงได้กำหนดเห็นทุกข์ของชีวิตว่าชีวิตมันมีทุกและบุญเนี้ยเท่านั้นที่จะกำจัดทุกได้คือกำจัดตัณหาได้กำจัดกิเลสได้นางก็กำหนดทุกของชีวิตแล้วก็สามารถ ละตัณหาละความเห็นผิดในที่สุดก็ได้เห็นพันิพาณในขั้นแรกนี้ส่วนในคาถาที่สองอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งมีนัยยะอันเดียวกันนะว่าถ้าบุรุษพึงทำบาปไซก็ไม่ควรทำบาปนั้นบ่อยๆไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้นเพราะว่าความสั่งสมบาป เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อธิบายว่าถ้าบุคคลทำกรรมชั่วคราวเดียวก็ควรพิจารณาด้วยปัญญาในขณะนั้นเลยว่ากรรมนี้ไม่สมควรเป็นกรรมเลวเป็นกรรมหยาบช้าไม่ควรทำกรรมี้บ่อยๆตั้งใจเลยว่าเราจะไม่ทำกรรมนี้นะพึงบรรเทาเสียคือไม่ทำเสียและ ไม่ควรทําความพอใจชอบใจในบาปกรรมซึ่งจะเกิดขึ้นอีกต้องคิดอย่างนี้เมื่อทําบาปไปแล้วต้องพิจารณาบาปเลยเอาบาปนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาว่าบาปนี่มันเป็นยังไงลักษณะของบาปดูลักษณะของมันที่เอาฆ่าสัตว์มันเป็นยังไงรักทรัพย์เนี่ยเป็นยังไงนะหรือว่ากรรมที่เป็นบาปอื่นๆเป็นยังไงให้เห็นลักษณะของบาปก็จะเห็นว่ามัน มันมีโทษมันเป็นของชั่วมันเป็นของทำความเดือดร้อนให้เกิดแก่จิตใจแล้วก็นำทุก์มาให้นะเพราะนั้นต้องไม่ทำแล้วก็ไม่ควรชอบใจในบาปเมื่อพิจารณาเห็นเพราะเหตุไรนะเพราะว่าความสั่งสมพอกพูนบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คืนย่อมนำแต่ทุกข์เท่านั้นมาให้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าอันนี้โดยนยะ ที่เนื้อความมันใกล้เคียงกับคาถาแรกก็เช่นเดียวกันพิจารณาบุญแล้วให้ชอบใจตั้งใจว่าทําไม่หยุดแต่พิจารณาบาปแล้วต้องสั่งเลยว่าหยุดทําได้แล้วเพราะว่าถ้าเจ้าทําถ้าเราทําไปอีกความทุกข์อันมากมายในภพหน้าในภพนี้ก็จะเกิดเพราะเหตุแห่งบาปนี่แหละนี่เป็นเรื่องที่ เราทั้งหลายจะต้องใช้ประโยชน์จากการฟังธรรมเราทำบุญหรือเห็นคนอื่นเขาทำบุญก็ต้องพิจารณาว่าเออบุญนี้เป็นของที่น่าเลื่อมใสน่าชอบใจแล้วก็ควรสั่งสมบุญอันนั้นไปเพราะว่าบุญนั้นจะให้ผลเป็นความสุขอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปนี้จะได้นำเรื่องของท่านพระมหากัตสปะที่ท่านได้แสดง คำสอนให้แก่พระภิกษุทั้งหลายรวมเล่มอยู่ในกัสสปะสังยุตสังยุตตานิกายรวมรวมของท่านเลยชื่ อ, อว่ากัสสปะสังยุตเนี่ยมีเรื่องอันดับแรกเลยคือเรื่องสันตุถะสูตรก็คือเรื่องความสันโดษเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นผู้สมาทานทุดงแล้วก็สารเสริญคุณของทุดงคุณของทุดงนั้นกำจัดกิเลสกำจัดอะไรกำจัดโลภะกำจัดโมหะทำความสันโดษมากน้อยให้เจริญความสันโดษนี่คืออะไรก็จะได้ฟังจากเรื่องนี้แหละคือสันตุทัตสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถปิณิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วได้จัดว่าดูกรภิกษุทั้งหลายกัสสปะนี้เป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้เนี่ยคำว่าสันโดษนี่ก็คือได้อย่างไรก็ใช้อย่างนั้นนะ เราพูดกันง่ายๆว่าพอที่เราเรียกกันว่าพอใจตามมีพอใจตามได้และเป็นผู้กล่าวสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามมีตามได้คือสรรเสริญด้วยว่าความสันโดษเนี่ยดีให้ความสุขอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ไม่ถึงการแสวงหาอันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวร คือจะกคือไม่ทำให้ผิดศีลนะการสแสวงหาจีวรของท่านอันใดที่พุทธเจ้าไม่อนุญาตไม่ทำสแสวงหาโดยชอบต้องการจีวรก็หาไปโดยอาศัยทุดงนั่นแหละไม่ได้จีวรก็ไม่สะดุ้งกลัวไม่มีจีวรห่มแล้วไม่สะดุ้ง